เรื่องทรงห้ามย้ายเจ้าหน้าที่เรือนคลังสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักขี่ย้ายเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลังภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นเจ้าหน้าที่เรือนคลัง ไม่ควรให้ย้ายภิกษุใดให้ย้ายต้องอาบัตทุกกฎ